Allahu lajaala hum umma ta waheeda ma thượng makali duslamah lahul makali duslamawat a ที ال ่10 12 89 11 12 5 م ن ا ل ش ي ا ط ن رجيم. ولو شاء الله جعلهم أمم واحدة. ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم ولي ولا نصيب. أ َ ت َ خ ذ ُ و ا مِنْ د ُ ن ي أ و ل ِ ي َ ه ُ وَهُوَ ي ُ ح ِ ي ل م َ و ْ ت َ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا خ ََ ل َ ف ْ ت ُ م ْ فِيهِ م ِ ن شَيْءٍ َ ح ُ ك ْ م ُ ه ُ إِلَى اللَّهِ จากุลลอฮฺรับบีอาไลฮฺทวักกัตัอิไลฮฺอุนีฟาฮิอุสซาลามะฮิวัน يا للكم من أزواج ومن الأنعام أزواج يزروكم في. ل ي س ك مسلي شيء، وهو السميع البصير، لهما ل ي ل السنا والدار، لهما ل ي ل السنا والدار. ยَ ب ُْุรُ الرِّزْقَ ل ِ م َ ن, ن ي ر ش َ ا ء ُ و َ ي َ ق ْ ل ِ ر ُ إِنَّهُ ลลอฮฺอัลَอฮฺอัล ل อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺِัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺَัลลอฮฺอัลลอฺَอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ميهد الله فلا مضللا وما يضلل فلا هديلا وأشهد أن لا إله إلا الله و ه ل ش وأشهد أن م ح م ا ع ب ر س و ل ه اللهم ن ب أسبحنا وبيك ن س ي ن ا وبيك نحيا وبيك نموت وبيك نشور ا ع و ذ بكلمات الله, ل الله الذي ولا الس الس ا, ال إ, الل إ, أ ل ت ا م م ามะติมินซาริมะข ل ัก ي ิสมิลล ا ฮิลลาฮิลาอั ا ลอ ر ฺมะอ ا ل หมะ م ์ม و มิฮิชาญุม ل ิลอาร์ดีวะลาฟิสซาม ا วะฮฺวะสัมียะ م ัลกัลิมรดี ل ุบิลลาฮิรับบะบับิลิสลามิดีน رب أعزبك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصرى، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم العيب والشهادة. ربك للي ش ي و ماليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ن ف س ي وشر السايحان وشرك وان أ ق ت ل فعلى نفس سواء و أجره إلى مسلم لا ل ه ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم ว่า خيرما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبار ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมัสซุบะที่มัสยิดของอัลลอฮ์และพี่น้องที่ติดตามรายการ สวรรคในบ้านนะครับเฟซบุ๊กสวรรคในบ้านที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านนะครับเอาทำดีลยละก่อนอื่นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราถือสัญญได้มาครึ่งเดือนอย่างดอน น, นนะครึ่งเดือนทำดีลยละนี่เป็นความตัวตรานของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้มีเดือนอุมาดอน เราเดือนอรมานี้มีชื่อทั้งหลายชื่อซาฮรุลกูรานเดือนในการอ่านกูรานซาฮรุซอบเรดเดือนเพื่อการอดทนกระโวยวานนั่งเงบเงียบซอบรุสซอดอปะเดือนอย่งการบริจาคและเดือนอย่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เดือนการอาภัยขออภัยโ่ท้วต่อเาอย่าอวดดีนอบ น, อบนอบ้อมทอมตนต่อเราแล้วเดือนการขออภัยโท้วต่อเรามีตั้งหลายชื่อฉะนั้นมุขมินผู้ศรัทธาต่อเราทั่วโลกก็จะต้องนำเอาคำว่ารมดอดเนี่ยไปนั่งคิดเวลาคิดเนี่ยคิดแค่สองคนมัสนะ ว่าฟูร์รอดานั่งคิดกันสองคนอย่าเยอะอย่าหลมขัดกันหรือฟูรอดาคิดคนเดียวฝึกตองคนเดียวสุนันนาบีเนี่ยพาเราเข้านรกอะสุนันนาบีเนี่ยพาเราไปสวรรค์ใช่ไหมคําสอนของนบีเนี่ยพาเราไปไหนเพราะบางคนแอนตี้สุนันนาบีเยอะสุนันนบีห้ามเข้ามาสัสยิดฉัน ในประเพณีปฏิบัติความเชื่อของปุญาตยาเนี่พาเข้าได้อย่างสบายเลยในมัสยิดพูดถึงสูนาไม่ได้นั่งคิดดูให้ดีนั่งกันนึกอ่านสั่งนะนั่งกันสองคนรู้นั่งคนเดียวเราจะรู้ทางนําโอ้ฉะนั้นยึดกุนอ่านอ่านกุนอ่านมีสองอย่างครับนึกอันให้จบเป็นเล่มอ่านแล้ว วิเคราะห์อีกแบบหนึ่งเนี่ยศึกษาหาความรู้จะอาะ่านครอ่านทีละอายะทีละวัปทีละประโยคนั่งวิเคราะห์อัลลอฮฺจะเปิดใจทีละคนละคนละคนละคนทั่วโลกเข อ, อ่านคุอ่านกันทุกคนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอ่านไม่เข้าใจแล้วก็คุยคุยเบสามเที่ยวอะก็ทำอะไรละประดายประโยชน์ไป แต่รางวัลไปแต่สมองไม่เปิดฉะนั้นมันต้องอ่านด้วยหาความรู้ไปด้วยเรามาถึงสุรอชูรออชูรอเนี่ยแปลว่าประชุมปรึกษาหารือกันเป็นศาสนาการประชุมเป็นศาสนาครับในบ้านก็ต้องประชุมกันพญาที่มีศาสนาเนี่ย เขาจะบอกกับสามีบอกกับลูกว่าวันนี้จะกินอะไรปรักมันเพราะการปรึกษาหารือเนี่ยพอผลออกมานี่ความเสียใจไม่มีแต่คตังคนจังธเนี่ยโอโ้โหบางทีมันก็เครียดจึงนั้นเดินตามผ ร, าาระอรหันับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเริ่มสูรัชูรอไดมาเจตญาะ วันนี้ขอทวนอายาที่เจ็ดของอาทิตย์ที่แล้วนะครับวกาซาลิกาอาไฮานาอิไลก์กุรอานนาลาบยันแปลว่าเราได้ประทานกุรอานให้กับนบีมุฮัมมัดเป็นภาษาอาหรับใช่มั้มมีภาษาเดียวในโลกคือกุรอานเป็นภาษาอาหรับภาษาอื่นไม่มี ไอ้ส่วนจะแปลไปทั่วโลกก็รับผิดชอบวุฒิธรรมรับผิดชอบไปแต่เดิมคุณอ่านต้องเป็นภาษาอาหรับฉะนั้นให้ลูกหลานเรียนภาษาอาหรับเยอะๆเราเองก็ต้องต้องอ่านคุณอ่านต้องเรียนภาษาด้วยไปออมามอ่านเรายืนอยู่ข้างหลังพอเข้าใจเอาใจไม่สงบทาไม่รู้อะไรเลยใจมันพล่านเดี๋ยวจะไปนูน่นไปนี่นะครับ ต่อมาครับล e t u นซ z ร r มีกูณอ่านมาเพื่อมาเป็นข้อเตือนใจล e t u น n zero เพว่าข้อเตือนใจฉะนั้นการด่ว่าเนี่ยต้องยึดกุณอ่านในการสอนคนนะครับต้องยึดกุณอ่านในการสอนคนเพราะอัลลอฮฺซ้ำเนี่ยอุมม mm ัลกุรอ อุมมว่าแม่กูรอหมายถึงเมืองทั้งหลายของโลกมักกะนี่เป็นเซ็นเตอร์ of the world มักกะเป็นเซ็นเตอร์ of the world เป็นจุดกลางของโลกขุนอาญาที่เตือนใครไม่เชื่อกับเรื่องของเขาแต่ผมเชื่อแล้วก็วามันเขาและหูแลลปกว่ประเทศที่อยู่รอบ อาจจะเป็นยอแดนกูเวตบาเรีนอะไรก็ตามแต่หรือคำว่าฮาเลาเนี่ยทั่วโลกเลยตอนั้นยึดมักากเป็นไรนะเป็นเซนเ ต, นเตอร์เพราะว่าอาลัลลอให้คนในนครมากาเนี่ยวันนั้นน่าเลวที่สุดแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะอัลกุรอาน สบายใจนะทำตัวได้เอาต่อมาครับวตุนซิรอแล้วก็คุณอ่านนี้เตือนบอกว่าวันกียมะมีครับตายแล้วต้องฟื้นคนที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นเนี่ยเาลอมันไส้นะเอาล้อโกรธนะแต่พี่น้องครับว่าเอาล้อโกรธเนี่ยเอาล้อไม่ทำลายนะให้อยู่ไปเอาเมียไปเอาบ้านไปเอารถไปเอาเงินไป ให้มันเพลินให้มันอร่อยพอความตายมาถึงก็หอยอ้ย่แล้วกูทำทำไมเนี่ยผิดมุดเลยจากนั้นอิสลามไม่ได้บังคับให้ใครมายึดกูลยึดสุนนะนา บ, บีไม่ได้บังคับมีสมองชายปัญญาเองนะครับแล้วรอยบาฟฟี่ วันหนึ่งจะต้องเกิดมาแล้วก็ไปยืนชุมนุมกันเป็นเรื่องจริงไม่มีข้อสงสัยเมื่อถึงปัญเจีย ม, มาแล้วฟารีกุมฟิลจันนะกลุ่มหนึ่งอยู่ในสวรรค์ว่าฟารีกุมฟิสัยอี ก, กลุ่มหนึ่งลงนรกเอาใครจะไปสวรรค์ใครนรกเชิญให้ปัญญามาแล้วให้กูอ่านมาแล้วให้ซุนานบีมาแล้วถ้าจะไปสวรรค์ก็ต้องยึดกูอา่าน ยึดรอสูลยึดสุนนะนบียึดสหาบะเป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับพวกเราในวันนี้เอาต่อมาอายาที่แปดวันนี้นะครับว่าเอัลลอฮละจะอลฮุมอุมมะตัววฮิดะว่าะกียวดะิลม في ر ح م ت ه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ولو شاء الله لجعلهم أمم ت و ح د ة ولكن ي د خ ل م ن ي ش ا ء في ر ح م ت ه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الحمد لله อรยะนี้เปิดสมองพวกเราเราจะประทานอกุรอานลงมาให้กับนบีเ่าให้นบีมามดฟังเพื่อให้นบีมาประกาศว่าลราชือัลลอฮ์ชื่อแปลว่าประสงค์ชาอัลลอ ภาประสงค์ของัลล a h แล้วแปลว่าถ้าหากย a ล l a h ุมแปลว่าทำ h ū มแปลว่าเขาเหล่านั้นมาถึงมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมแมปลว่ามู่ชน w า hidah แปลว่าเดียวกันเป็นหนึ่งถ้าหาก a ล l a h ประสงค์ที่จะให้คนในโลกนี้เนี่ยเป็นอุมม h เดียว มาจึงยึดศาสนาเดียวทั้งหมดเลยเป็นคนดีก็ได้หรือเป็นคนชั่วก็ได้ทําได้ไั้มได้ยินเล่าให้ฟังฉะนั้นโลกใบนี้อลัลลอ์เนี่ยจะให้คนทั้งโลกนี้เป็นมุสลิมทั้งหมดเลยได้ไหมได้หรือให้อนตี้อิสลามทั้งหมดเลยได้ไหมได้ซึ่งท่านนาบดนี่เคยขอ เพอัลลอฮ์จ๋ให้คนในนครมะกาเนี่ยหรืคนทั้งโลกเนี่ยเป็นมุสลิมในหมดอัลลอฮ์ให้กิบรีนมาหาอับดุลเบาก็มุฮัมมัดถ้าทุกคนเป็นคนดีหมดแล้วก็ท่านฉันทรงมาเป็นนับีแลเบะสอนใครถ้าดีกันหมดเลยนล้วสอนใครดีเลยดีจะนั้นที่มี ไม่ดีบ้างมีดีบ้างมีคนชั่วมีคนแอนตี้มีคนดาค่ากุนอ่านด่าสุนนะนบีด่าสุฮาบานนาบีให้มีขึ้นอย่างนี้เนะี่ยเพื่อให้ท่านไปสอนวันนี้นบีไม่มีแล้วลราใครรับผิดชอบเลยพวกเราต้องรับผิดชอบด้า น, นไม่เรียนอีก่ะพอไม่เรียนใครชอบสายตอนชอบเออหลอกง่ายดีว่ะคนไม่เรียนนี่หลอกง่ายเลยครับเห็ใครทํำเยอะๆตามด้วย ไม่ใช่ต้องใช้สมองบ้างไน้องทั้งหลายนะครับอาต่อมาครับถ้าหากอัลลอฮประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาเป็นหมู่ชนเดียวกันวะลกินวะลกินยาดูครูลไม่ยาเชลากินเพร า, ยย า, า, าระว่าแต่ยุดคีรุทรงให้เขา้าทรงให้เขา้าไม่ยาชา้าผู้ที่พระองค์ ทรงประสงค์ฟีรหมัติฮีในความเมตตาความเมตตาเนี่ยหมายถึงอิสลามความเมตตาหมายถึงอิสลามทัดเอบมาอับบาสอธิบายอย่างนี้ถ้าหากอัลลอฮ์ประสงค์จะให้เขาอยู่ในความเมตตาก็ได้ตูลมาอธิบายอย่างนี้นะครับโลกดุนยาเบยนี้เนี่ยตัวแทนโลกดุนยาไม่อยู่ ห้าอย่างหนึ่งผู้หญิงสองเงินสามชื่อเสียงสี่เกียรติยศห้าตำแหน่งให้กับคนทุกคนอลัลลอ์รักหรือไม่รักอลัลลอ์ให้หมดเลยเข้าใจนะตัวแทนดุนยามีอยู่ห้ารายการหนึ่งผู้หญิงสองเงิน สามชื่อเสียงเกียรติยศตายําแหน่งกลร้องให้ทุกคนเอาร้อรักหรือไม่รักเอาร้องให้หมดเลยยกตัวอย่างเอาร้องให้ฟารโร่ใช่ไหมฟิล อ, อ, นอันเอาร้อรักฟาโร่เป่าไม่ได้รักอะ่ะแต่ฟาโร่เป็นยังไงโอพี่น้องรู้ใช่ไหมเพระทับซีนสอนกันมาตลอดเวลาโอ้หังอวดดีไม่เคยไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นไข้ไม่เคยเป่ปวยอะ่ะ ไม่เคยจ้ามาอาลัลลอ์ให้ตำแหน่งคิงแล้วให้กอรูลมาเงินเยอะมากแล้วก็ให้ฮามานมาเป็นผู้จัดการ Ten แทนฟิลโนเน่ก็เป็นไงครับกอรูนนอลอัลลอ์ให้แผ่นดินสูกสูบทำไมอ่ะทำไมไม่นอนฝังตามที่ น, นบีสอนล่ะก็เพราะมันทำตัวเร็วฉะนั้น ปัจจัยดุญยามีอยู่ห้ารายการผู้หญิงเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศอลัลลอ์ให้กับคนทุกคนแต่อลัลลอ์เลือกให้อ ด, ดีนศาสนาเฉพาะคนที่อลัลลอ์รักเท่านั้นอ ด, ดีนเนี่ยแปลว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาฉะนั้นอัลล์เนี่ที่เราไานั่งกันในมัสยิดอัลล์เลือกแล้วนะเลือกแต่ละคนแต่ละคนมานั่งอยู่ในมัสยิดของอลัลลอ์ นี่อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รักฉันคนที่อัลลอ์รักเราต้องทาตัวยังไงอ่ะอย่าตะการบุอย่าเย่อยิงอย่าจองหองอย่าอวดดีอย่ามองคนอื่นนะงูไซนาอุมัตอธิบายอย่างนี้ต้องมองคนอื่นดีกว่าเราอย่ามองว่าเราดีกว่าคนอื่นถ้ามองเราดีกว่าคนอื่นตะกบเย่ยิ่งทององ จะสล้างพวกเขาก็ไม่ได้ไจะเสียฟองฉะนั้นถ่อมตนดีกว่านะครับพอต่อมาครับวอ ล, ลิมูนผู้อาธรรมคนอาธรรมก็คือคนที่ปฏิเสธอิสลามไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนนะนบีไม่ยึดสวฮาบะเป็นแบบไม่เอากุรานมาละหุมไม่มีสำหรับพวกเขา วลัลยุนผู้คุ้มครองวัลานอเซตไม่มีผู้ช่วยเหลือวันนี้อัลลอให้หมดทุกอย่างแต่ที่ว่าไม่มีผู้คุ้มครองไม่มีวลัลยวันกิยามะนุนพอฟื้นขึ้นมาเจ้า ก, กูโบแค่ตายก็รู้แล้วคนช่วยเราไม่มีเลยตักตะเกียที่ที่เราไปขอก็อยู่ที่ไหนหมอดู ที่เราไปหานะ่ะอยู่ที่ไหนมาช่วยเราหน่อยสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่ตลอดเดือนละนก็หลาทัานคนอ่านคุณอ่านเนี่ยมันต้องรู้ความหมายด้วยนะครับอิมานมันจะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเอาต่อมาครับอริยที่เก้าอมิตรตขอดูมินดูนิฮิอาลิยาฟัลลาฮูวะลวลี وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أمتخذوا ا من دونه أولياء فالله هو الوالي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير บุญานเป็นวะให้มาจากอัลลอฮ์อัมเบวะหรือว่าอิตตะคอรพวกเขาได้ยึดมินดูนิฮีอื่นจากอัลลอฮ์อาลลียะเป็นผู้คุ้มครองากานนั้นรึกนี่ถามให้นบีมาถามญาติพี่น้องนบีในนครมาเก้าวันนั้นเนี่ยอร่อยนะ่าดูเลยแต่วันนี้เขาดีกันหมดแล้วแต่อัลล์เล่าเรื่องเก่า พวกเขาเนี่ยได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เป็นผู้คุ้มครองหรือถามให้คิดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เนี่ยช่วยเหลืออะไรไม่ได้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เลยช่วยมาให้ตกนรกช่วยได้ไมไม่ได้จะให้รวยให้จนเนี่ยวันนี้ให้รวยให้จนเนี่ย บางคนลืมอลัลลอ์ฉันรวยเนี่ยนะเนะพราะฉันมีความรู้จบด็อกเตอร์ท่านจบปิญญาโทเป็นยาเอกทันเรียนบิสเนสแอดมินิส r ร t ชันทุกลอกทั้งหมดใครจะรวยจะจนมาจากอลัลลอ์ทั้งหมดคนที่มีความรู้มาจากอลัลลอ์ทั้งหมดฉะนั้นเวลาอลัลลอ์ให้เนี่ยมาตมาเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอ์ ตอนี้บางคนรับเนี่ยอามัดของอัลลอฮ์มาแล้วไม่รู้ไม่รู้ใดเมียมาคนหนึ่งฉันแน่ไปจีบเข้นมาได้อให้บ้านมาหลังลงโอ้โหฉันเก่งหน้าดูเลยไปกู้ธนาคารมาเสียดอกเบี้ยโอ้โหถูงหน้าดูเลยก็หกทั้งหมดน่ะฉะนั้นเวลาได้รับเนี่ยอามัดม า, มาผู้ที่ประทานเนี่อามัดคือ อ, อัอลออลอฮ์ออทำไมอัลลอฮ์เตือนทําไมอ่ะเพราะเมื่อให้อากีร่าเราทําเสียอ่ะ อตัตวมากับฟัลลโลแต่อ l ล a h ฮุอวาลวาลีเป็นผู้คุมครองไม่ใช่คนอื่นคุมครองเราวันนี้อยู่อยู่บนดวนยานี่นะที่เราเดินมามัสยิดได้ที่ถือสีนอดได้ที่นั่งอะเลกว่อนล l เปิดใจเราฉะนั้นอย่าอวดดีอย่าโอหัง อัลลอฮฺเป็นผู้คุ้มครองทุกรายการเลยต่อมาครับฮุอูอายูฮเยอัลลอฮฺ Allah เป็นผู้ให้ชีวิตอัลยมาตาผู้ที่ตายทําไมพูดเรื่องตายอ่ะมาถามพี่น้องว่าเรานี่ตายกี่ครั้งแล้วเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้งส่วนใหญ่ตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวใช่ไหม อันตอพิษที่ถูกต้องตายสองเกิดสองกุรอฮสุร่าบกะกอร์ห์ว่าใกล้ฟะตักฟูรุนบบิลละว่าุณตุมอัมบะตาฟะอัฮยะกุม um, ซุมมายุมีตุม่มซุมมายุฮัยกุมซุมมยายุไลฮิตุรจาวคุณจะปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ยังไงในเมืม่ออัลลอฮ์เนี่ย ให้คุณมาครั้งแรกในสภาพคนตายอธิบายยังไงครับตอนคุณอยู่ในท้องมาดามไปน้ำอสุจิมาจากดินนั่นเราเรียกว่าตายแล้วก็ต่อมามาอยู่บนโลกใบนี้นี่เราเนี่ตอนนี้นี่เรียกว่าวนะเกิดครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวอยู่ไปอยู่ไปตายครั้งที่สองตายแล้วมันจะตายเลยนี่เป็นอัติได้ บันกี้ยามามาฟื้นอีกเที่ยวหนึ่งมันมุ่งมินทั้งโลกเขาศรัทธาว่าตายสองครั้งแล้วก็เกิดสองครั้งลูกเรามีเราบางทีพูดผินเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเพราะคนริมบ้านพูดตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวเราก็เลยศรัทธาก็เชื่อเขาแต่ไม่ใช่แต่คุณอ่านเตือนตายสองเกิดสองนะครับวะวะย uh ุฮยิลมาตะ อัลลอฮ์ส่งให้ชีวิตแก่ผู้ที่ตายนะครับไอ้คำว่าตาเนี่ยรวมไปถึงหัวใจด้วยหัวใจที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะหัวใจตายด้านหัวใจที่ม่อวัลลาะเขาจะหัวใจตายได้จะให้หัวใจตายด้านมีชีวิตชีวาต้องอ่านพูดอ่านเล่มเดียวหนังสืออื่นไม่ใช่ไปเนอะถามวะสฮาบานาบีนอ่านหนังสือกี่กี่ร้อยเล่ม เป็นช้าสวรรค์นะ่ะตอบได้ไหมอ่านเล่มเดียวแล้วพวกเรานะอ่านหนังสือกี่ร้อยเล่มอ่ยกเว้นคุณอ่านไม่อ่านใช่ไห ม, มอ่านมันการก็อ่านแบบย่ังไงล่นะ แ, ลแบบไม่รู้ฉะนั้นถ้าจะไปสวรรค์จะให้ชีวิตชีวาหัวใจเรามีชีวิตชีวาเคยตายด้านมาก่อนต้องศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานจะทําให้มีชีวิตชีวา อ่ต่อมาครับวะอาลาคุลิชายิงกอดีและอัลลอฮ์เนี่ยกอดีรุ่นมีความสามารถอาลากุลิชายเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องอัคีด้านนี่เป็นอัคีด้านที่ถูกต้องนะครับต่อมาครับอายาที่สิบวะมาคตาลาฟตุมฟีมินชัย فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي علي ت و ك ل ت و إ ل ي ه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك ุมอัลลอฮฺรับบี عليه توكلت وإلهي أني بالحمد لله ข้อเนี้เตือนนะครับมนุษย์ีนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะขัดแย้งกันใช่หรือไม่ใช่ใช่กลุ่มนี้คิดอย่างกลุ่มนี้คิดอย่าง คิดคนละอย่างละอย่างละอย่างทำให้แตกเป็นพวกหลายกลุ่มเลยเพื่อที่จะไม่ให้แตกแยกกันมากขึ้นอัลลอฮฺสอนในอัลกุรอานว่ามักจะลาฟตุมอิคลิลาแปลว่าขัดแย้งกันสู่เจ้าขัดแยง้งถ้ามาและอันใดที่สู่เจ้าขัดแย้งกันฟีในเรื่องนั้น เรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมคิดคนลย่างสองอย่างถ้าคิดแล้วเกี่ยวไว้ในใจมันก็ดีถ้าคิดคนลย่างแล้วเกิดเถียงนั่นแหละปัญหาตามมาไหมตามมาเยอะเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอ๋อสอนคนอ่านระยะนี้เมื่อ ไม่และอันใดที่สูตเจ้าขาัดแย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือในเรื่องนั้นฟะฮุคมฮูอิลลอหฮุกมฮูแปลว่าการตัดสินของมันนั้นว่าอะไรถูกต้องกลับไปหาใครอิลลอหกลับไปหาอัลลอฮ์สบายใจไหมฉะนั้นกุรานเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ ต้องอ่านให้เข้าใจให้ดีต้องอาศัยอุลมะด้วยงานนี่ต้องอาศัยผู้รู้ด้วยขัดแย้งกันในเรื่องใดก็ตามให้กลับไปหาอวโลกุลอ่านว่าอย่างไรแล้วก็สุนนะนบีมาอีกอเช่นนี่อย่างเนี้ยแก้บวชยกตัวอย่างนะนบีพูดด้วยว่าจะมีการขัดแย้งกัน นิวสองสองคณะอนะวันนี้นะคณะหนึ่งเนี่ยพอได้เวลาละสินอดนี่นะเขาไม่ละสินอดรอให้ประมาณเห็นดาวก่อนถึงจะละสินอดอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มพวกเราเนี่ยพอตะวันตกดินรีบละสินอดเลยถ้าว่าสองกลุ่มเนี่ย เกิดเถียงกันเนี่ยแล้วก็ใครตัดสินล่ะเอาอะไรมาตัดสินก็ดูนบีนแบบดูกุรานดูนบีพราะนบีอธิบายกุรานนบีอาจ อ, อาว่าพ่อะนบีบอกอย่างนี้เมื่อตะวันตกนั่นคือเวลามากริบเป็นเวลาละสิ้นอดเวลาเดียวกันจบไหมจบแต่อีกกลุ่มนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอไปอีสักครึ่งชั่วโมง อีกสี่สิบห้านาทีแล้วก็นบีสั่งว่าเมื่อถึงเวลาละสินอดให้รีบละแล้วก็สาฮุดเนี่ยให้ทานช้าๆรอใกล้ๆจะหมดเวลาดีที่สุดทำดีแล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้ในพี่น้องกับขัดแย้งกันเนี่ยเมื่อขัดแย้งกันแล้วต้องกลับ ต้องนำเรื่องนี้ไปถามว่ากุณอ่านสอนยังไงก็ต้องมาใส่อาเรียบอุลามานะลาช่วยด้วยเอาต่อมาครับลาดิกลมโลนั่นคือคือไอความขัดแย้งระหวังเรากับท่านเนี่ยนอะัลลอฮ์ต้องพึ่งอัลลอฮ์องค์เดียอัลลอฮ์ในฐานะอะไรครับรอบบีพระผู้อภิบาล ของฉันจะเอาสิ่งอื่นมาเป็นรับเราไม่ได้อาญาญาติตวักกันตู้พระองค์ที่เรามอบความไว้วางใจต้องตะวักกันจริงๆในร้อยนะไม่ใช่ตวักกัน 80% 90% ให้เหมาะให้สิ่งอื่นอีก 10% อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องตะวักค้นต่อรับแบบพันเปอร์์ร้อยเปอร์ ว่าอีไลฮิอูนบแล้วก็อุนิแปลว่าฉันหันกลับไปหาอาลัลลอฮ์คือเตาบาตัวฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนของการเตบาตบาเตาบาในความผิดที่ทำมาด้วยกับเตาบาในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำซึ่งเป็นสุนนนบีเป็นอิสลามแต่ยังไม่ทำใช่ไหมนั่นก็เราขาดตรงบุ้อง อาบางคนเนี่ยไม่ค่อยมาสู่เราผิดหายหน้าไปนักก็เาต้องตบบ้าลอยๆกับฉันเนี่ยทำตัวไม่ดีเ ม, ดมาไหนมามาสอเสี่เอ๊ป่วยกลัวฝนตกไม่ต้องมาไม่มีปัญหาฉะนั้นของที่เราไม่ได้ทำมันผิดต้องตบบ้าตัวต่ออัลลอฮ์กับสิ่งที่เราทำผิด ก็ต้องตบทุ่งว่าทัา้อัลลอฮฺ سبحانه แวะต็อาละอาตมักับฟะฮุคมุฮูอิลลอตรงนี้สำคัญมากนะครับการตัดสินทั้งหมดเรื่องเรื่องปัญหาขาัดแย้งกันในกลุ่มมุสลิมเนี่ยมีทางออกไหมแต่แะครอบครัวบางครอบครัวไม่ Allah เอาอัลลอ์เมีเรื่องมรดกอัลลอ์ผู้หญิงหนึ่งส่วนผู้ชายสองส่วนรับไม่ได้ ผู้หญิงอ้างว่าฉันเลี้ยงมากไอั น, นีก็เลี้ยงเยอะเวลามาตาย ย, อาย่อใจให้บรดดกส่วนเดียวผู้หญิงว่านะเป็นไปไม่ได้ขึ้นศาลอ่านี่ไงถาว่าพี่น้องเรามีไหมมีครับนมาห้าเวลานี่แหละแต่ไม่เข้าใจกูอ่านนะพี่น้องนกว่ากูอ่านของอัลลอ์แค่นมา ถ, ถือศีนอดธรรมดีถือบวช เรื่องอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่พเพราะุูอ่านสอนเรื่องมรดกด้วยนะครับเอาต่อมาครับในคูรานอายะอื่นคือกูอา่นอานอธิบายกูอา่านในสูรานิษัทาที่ห้าว่าฟาอินตนาจาอตุมฟีชัยอิมฟาุ ด, ดูฮุลัลลอฮิวารอูลแต่ท่านทั้งหลายเนี่ยยึดขัดแย้งกันในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเห็นไหมยึดอัลลอฮ์และรอซูลเป็นแบบพี่ต้องสังเกตนะถ้าอ่านกัมภีร์จะพบนะอัติอัลละะอฮ์ว่าอัติอลัลรอซูลว่าอูลิลอัมริมิกุมงอัติอูประโยคที่สามไม่มีเพราะอะไรมีปัญญาต้องคิดบ่างอัติอูจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ ว่อติยองลรอซูลเชื่อฟังปฏิบัติตามาตอรอซูลคนที่เชื่ออัลลอฮ์เชื่อเชื่อรอซูลไ ม, ม่ผิดครับไม่ผิดแต่ว่าอุลลิลอัมริมิงกุ้มอัติยองไม่มีเพราะอะไรเพื่อจะบอกให้เราเข้าใจให้นบีเข้าใจว่าที่ไม่มีคําว่าอัติยองที่อุลลิลอัมริมิงกุม้มอาจารย์อธิบ ว, ว่าอุลลิลอัมมันจะหัวหน้าเนี่ยอเมรเรานี่แหละจุลาเนี่ย จะเป็นใครก็าตามระดับโลกใหญ่ๆใครไหนก็าตามทั้งมุสลิมไม่ใช่มุสลิมที่เขาแนะนเราดูแลเราเป็นผู้นําเราถ้าเขาสร้างผิดไม่ต้องเชื่อแต่ไม่ให้ทะเลาะกับเขาถึงไม่ซัยอตีฮงที่อุลิลอัลเรมิงกุ้งผู้นําเนี่ยไม่ต้องเชื่อทั้งหมดกระด้นี่กูรานสร้างนะถ้าสร้างผิดกับกุรานเนี่ยเราไม่เชื่อ เราไม่ไปโต้เราไม่ทะเลาะ ก, กับผู้นําของเรานี่มารยาของอิสลามสอดีไหมดีมากครับฉะนั้นอัลตอุลลอฮ์อัลตอุลรอซูลวะอุลิ อ, ลอัมริมิงกุมอัลตอุลที่อไม่มีเพราะอะไรดิเงให้คนมุสลินได้กขา้าใจการตามผู้นํำมันจะตามทุกเรื่องตามเรื่องที่มาจากอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าเขาชี้นามาจากรอซูลมาจากอัลลอฮ์ตามได้เลยถ้าไปความกับอัลลอฮ์กับรอซูล เราไม่ตามแต่เราไม่เถียงเพราะความสามารถเราไม่ถึงอยู่แล้วก็นั่งฟังเฉยๆก็ อ, อแล้วกันเอาต่อมาครับผมจะเอาความรู้จากท่านนาบีมาสอนนะครับสอนอย่างนี้ขอแทรกนิดนึงนะประชากรในโลกนี้มีเท่าไหร่นะเจ็ดพันล้านนบีถามบอว่ามันุม คครรุนน่ในกลุม่มนุษเจ็ดพันล้านคนน่คนที่ดีที่สุดน่ะคนแบบไหนมีทั้งหมดเจ็ดแดข้ออันจะเล่าให้ฟังครับเป็นฮะดีซทั้งหมดไม่ใช่ความคิดของอุลมามะไม่เกี่ยวนบีนบีนบีนบีศอ น, นะครับข้อที่หนึ่งใครรู้กลุ่มคนที่ดีที่สุด มันตะอัลลอฮมัมมัดกุรอานอวนะฮฺอัลมาฮูคนที่เรียนกุรานมาแล้วก็เอาความรู้ที่เรียนมามาสอนนั่นเราเป็นคนดีที่สุดต้องไปเรียนกี่ปีอะแครบกปีห้าปีเจ็ดปีใช่ไหมละ่ะเชิญมันเสื้อทองเท่าไหร่ทีนี้พอเรียนมาแล้วไม่สอนมีไหมยุเราไม่แตะใครนะท้าไม่สอนมีไหมนี่ แต่น บ, บีพูดว่าเรียนกุรานเมื่อเรียนแล้วเอากุรานมาสอนคน ห, นหคนนี้แหละเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกจะอยู่เมืองไหนประเทศไหนก็ได้ฮัดี้โอิมังบุคอารีเลขที่2027เไปเปิดดูฮัดีบุคารีเรื่องที่สองขยารุกุมอุฮาซึนุกุมอัคลาก่อน คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่มีมารยาทงามอูใน hadith b ค k รีคนที่ดีที่สุดจะอยู่ประเทศไหนของโลกก็ตามคนที่มีมารยาทงามคนนั้นแหละดีที่สุดอา้าวมารยาทกับจังสามีเนี่ยเป็นภรยาเป็นเป็นมีภรยาต้องดูแลภรยาไม่จะตบหน้าภรรยา ไม่ใช่ดาภรยาไม่ใช่ตวารลูกตบหน้าลูกเอารูปแบบไหนมาสอนฉันมารยาทงามกับพี่น้องมุสลิมกับภรรยาไม่ทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัวเองไม่ทําให้พ่อแม่ต้องเสียใจนั่นคนที่ในหนังสือสริรดุลนบีของสุเลมานอดิวิทอาจารย์ผมเนี่ยอยู่ที่อินเดียวนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่มีมารยาทงามก็คือคนที่ เมื่อได้ยินเสียงอาซาไปไหนให้มามัสยิดมาเชนอนโอ้เพราะอานละตกใจ อ, อ, อจาัฉะนั้นคนที่มีมารยาทงามก็คือคนที่ได้ยินเสียงอาซาแล้วแปลงฟันอาบน้ำนำมาแต่งตัวมามัสยิดเลยห้มตัวนี้นั่นยกว่าคนที่มีมารยาทงามกับครอบครัวก็ตองดีกับพ่อแม่มาทะเลาะเขาเขา ไม่ทําให้พ่อแม่ต้องโกรธเคืองลูกคนใดที่ทําให้พ่อแม่โกรธเคืองลูกคนนี้ไม่มีบรารักัดมีเงินแต่เงินไม่มีบรารกัดครับมีบ้านอยู่บ้านอยู่ไม่มีบรารกัดมีรถคุณก็ไม่ขับรถมาสู่เราบไปอื่นไปได้หมดอ่ะเนี่ยรถไม่มีบรารกัดเมียไม่มีบรารักัดเมียที่ไม่เคยเตือนสามีว่าพี่ไปทำไมาสุราที่ได้นอนกอดอย่างเดียวอ่ะ แตเมียไม่เคยเตือนเลยพี่ที่ไปน่ะมาสุเราเมันด้ไปมาสามเดือนเลยใช่ไห ม, มหัวบอโควิดว่าอ่ะก็ไปไร่ไดก็แก้ตัวไปเดี๋ยวไปแก้เี่าลอเอง อ, อ่ะเอาต่อมาครับเรื่องที่สามขออยู้กุมอาซานุกุมกอดวอนันคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เวลามีหนี้แล้วเนี่ยให้รีบช้หนี้ ในผู้ดเศรษฐกิจเห็นไหมน บ, บีพูดทําไมอเพราะน บ, บีดูแลคนทั้งโลกอะ่ะฉะนั้นเป็นนี่ได้ไหมอิสลามพี่ต้องสังเกตนะน บ, บีเนี่ยเป็นนี่แต่ไม่เคยเป็นนี่กับมุสลิมด้วยกันอัคนี้เควาคิดมากครับแต่ไปเป็นนี่ไปขอยืเมเงินของคนอยู่ โดนรามานบินอ้าวนาะมหาเศรษฐีในนครมากาวันนั้นนะที่ท่านที่มาดีน่าด้วยนบีไม่เคยเคอยยืมเงินโดนรามานบินอ้าวแต่นบีไปคอยยืมเงินใครหรือล่าย่าพูดดีไปนอนคิดดูสิทำไมนบีไปคอยยืมเงินคนมาใช่มุสลิมพร อ, อะไรเป็นข้อคิดอันหนึ่งไปนอนคิดดูเิโอทําไมทําไมทำไ ม, ำไมจะนั้นเมื่อ ได้เวลาให้รีบใช้แต่นั้นคนที่รีบใช้นี่เป็นคนที่อัศจรรยดีที่สุดเขาียกอิมามบุคอรีนะครับเอาเรื่องที่สี่นะครับคอยรุกมุมคอยรุกุมลีอาลีลีอาลีฮีวาอานะคอยรุกุมลีอาดีท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ดีที่สุดพูดสองครั้งนะดีที่สุดกับภรรยาของคุณแล้วก็ฉานนี่เป็นคนที่ดีที่สุดทําดีกับภรรยาของฉานใช่ไหมนบีกวาดบ้าน นบีล้างถ้วยล้างจานอัลลอฮ์นบีปะรองเท้าเองนบีรีดนมแพะเองเป็นบางครัง้งบางคราวไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยไม่กวาดก็ไม่เคยจับใครสอน่ะฉะนั้นอัคลากนบีเป็นอัคลากที่ฮำโดยแล้ววันนี้คนยอมรับนบีกันแล้วแต่คนดาน่ามีไหมก็คําด่าด้วยสิครูที่รับผิดชออัอลลอฮ์จัดการเองอะใช่ไหมดังนั้น น, นํามาบรยานนบีมาใช้นบีนีบบ่นะคนรับผิดชอบดูแลภรรยาภรรนาน บ, บีมีกี่คนอ่ะสิบคนสิบเอ็ดคนใช่ไหมวันทีน่น บ, บีเสียชีวิตนะ่ะเหลือแปดถามมันเราภรรยาน บ, บีจะทะเลาะกันไหมแต่หึงหึงนั่นก็มีที่เป็นนิสัยของผู้หญิงผทั่วไปก็หึงหึงมีแต่หึงไม่นาน หวงไม่นานแค่10นาที15นาทีก็หายแล้วพวกเรานี่ยโอ้โหห้าปีสิบปียังยังทลากันไม่เลิกเลยก็ขอฝากเอาไว้ให้คิดนะโอเคก็คตัวลงเอาเงินในภรรยาชายผลลบนเยอะไห ม, อ, มอ้าวโรมาฮาอัจุรันอัลลัตีอัมฟักตะฮูอิลาอัฮลิก มีรางวัลตอบแทนจากอัลองยิ่งใหญ่มากที่สามีมอบเงินให้ภรรยาชชยมากกว่าบริจาคสร้างสุราเด็กข้าว้าใชอีกแต่เราก็ทำหมดทุกอยาก่างนั่นแหละแล้วก็บริจาคให้ภรรยาด้วยดูแลด้วยต่อมาครับข้อที่ให้ข้อที่ห้าคอยรู้กุมมันอัตอมาตตอามคนที่ดีที่สุดคือคนที่เลี้ยงอาหารคน นนเนี่ยลาสนดอเนี่ยบริจาคก็จะเป็นต้องทำบุญไปเฮ้ยบริจาคไปแล้วก็วรัดดุสลามแล้วก็ตอบรับสลามเนี่ยเป็นมาคนที่มีมารยาทงามอีกข้อหนึ่งนะครับคอยรู้กุมอลยานุกุมมานากิฟิฟสวาลาคนที่ดีที่สุดในกลุ่มพวกท่านก็คือคนที่ทำให้เนี่ยอะไรนะหัวไหลนิ่มๆ อธิบายยังไงผมผมอ่านตั้งหลายเที่ยวไม่เข้าใจทำให้หัวไหลนิ่มอธิษานทำไงตอนตั้งแถวเนี่ยเวลาใครมาแทรกเพื่อให้ซอบมันเต็มใช่ว่าบางคนกูกันกูไม่ให้มึงเข้าอะกูยืนทางนี้เลยกลางแขนดันดันิดนิมึงมาต้องเข้ากูร้อนรใช่ไหมนบีสักอย่าทำ ทำให้หัวไหลนิ่มนิ่มเอาไว้เอาที่ภาษานาบีดีมากัรักนะฉะนั้นพยายามตั้งซอฟให้เต็มเบียดเบียกันบ้างเล็กน้อยไม่มีปัญหาแล้วก็มันต้องเต็มเพราะชั้ตอนมันชอบช่องว่างที่ไหนมีช่องว่างในนมาดตามสุนนรนาบีจริงๆพวกเรายังไม่ได้ทำเลยนะตะตุมกับตะตุมต้องชิดกัน ยังไม่ได้ทํานะพวกเราเนี่ยพูดสุนนะสุนนะสุนนะแต่เวลาสุนนะต่างแถวเนี่ยไม่ได้ทานะสุนนะที่สุอัลก้าบมบิลกา้าเบตาตุมกับตาตุมก้าบุญบัวตาตุมตาตุตามต้องชิดกันอยู่ประเทศเดียวถึงผูไปมาปากีสถานอยู่มหาวิทยาลัยหนึ่งครับไปเอ่ยชื่อเพื่ อ, อ นี่แห่งเดียวที่ผมไปเห็นมาคงั้นอัลกามบบิลกามีต้องฝึกถึงจะนำมาได้างวันต่อแทนจากอัลลอยฺโยบี น, นบีพูดเรื่อ ง, งไหลด้วยนะไหลกับตาตูตมเนี่ยให้มันชิดกั น, นต่อมาครับคอยรู้กุมมันตอลอุมรุหูวะฮะสุนาอามาลุหู คนที่ดีที่สุดในกลุ่มพวกท่านทั้งหมดในโลกนี้นะจ๊ะคนที่มีอายุยืนยาวแล้วก็มีอัมันติสอนเลยร่ำด้วยเลยละอ่ะพอครับเวลาเวลาจะหมดต่อมาอายะที่สิบเอ็ดนะครับฟาติรุสสุมาวะติวะล้อร์จัลละเลกุมมินอันฟุสิคุมอัจวะจาวะมินอัลอันงามอัจวะจา ยักรู้คุณฟีไร้จะไม่สิชัยวَหัวสัَย์อุบสิร์ฟัติรَุสภาวะที่ว่าอัล أ َาละลักุมินอันฟุศิคุมอจวัจจ์วามินอัลอันงามอจวัจจ์ยักรู้คุณฟี ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد ล ل الح ه มาดูสับนะครับฟาติสแปลว่าเนรมิตรสร้างนี่ละอัลล์เนี่ยสร้างอัสลามาวาชันฟาเล่าให้ฟังอัลลอฮ์รับผิดชอบมนุษย์ไม่ต้องมาเหนื่อย เรื่องดูแลชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์มาต้องมาดูแลอัลลอ์ดูแลเองฟ้าทิรุสสามาวถที่วัน อ, อัลลอ์เป็นผู้ทรงเนรมิตชั้นฟ้าทั้งหลายเจ็ดชั้นนะวัลอรดีแล้วก็แผ่นดินคี่ต้องทราบไหมบนชั้นฟ้าเนี่ยภาษาห ะ, ะดีบอกว่า อัตโอติส sama ชันฟ้านี่ดังเอียดเอียดเอียดเอียดแบบเรานั่งบนเตียงเตียงไม้อะจัดไปเตียงที่ที่เรานั่งกันหลายๆคนเนี่ยมันจะมีเสียงใช่ไหมจะหักน่ยมีเอียดเอดใช่ไหมนี่ไงอัตโตติส sama ชันฟ้านี่มีเสียงดังเอียดเอียดเอียดเอียด เพราะอะไรครับเพราะมลายิกาอยู่เต็มหมดเลยแล้วก็หน้าพาของมลายิกาเนี่ยอยู่บนชั้นฟ้าเนี่สูญเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนี่นบีลเล่าให้ฟังอโอ้จริงอถ้าไม่เรียนฮะดีษไม่รู้ถ้าไม่อ่านสุนนะนบีไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรอะแล้วก็บมลายิกาเมื่อที่ตีแล้วใช่ไหม มาเลกาสรรเสริญองค์ต่อแล้ใช่ไหมแล้วก็ยกย่องสัตวดีต่ออัลลอฮ์แต่มาเลก้าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยู่บนทันดินเนี่ยมาขอดุอาให้มนุษย์ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วนะหนึ่งมาขอให้มุสลิมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้มุสลิมที่ทําผิดด้วยและอีกกลุ่มหนึ่งคนกาเฟสมาเลก้ามาขออัลลอฮ์จารเปิดใจคนกาเฟสให้รับอิสลามเถิดีเลี่ดีดด ถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าให้เราฟังจะรู้ได้ไงท่านเราต้องอยู่บนโลกดุนยาต้องนอง้นอมน้อมทนทนต่อ อ, Allah. อัลลอฮ์ต่อมาครับฟาติรสุสซามาวติวัลอรตต่อมาครับยาอาดาลกุมอัลลอฮ์ได้ทรงทำสำหรับสุบเจ้ามินอัมฟุสิกุมจากตัวของสุบเจ้าเอง อสวะยันเป็นคู่อลัลละร์รู้ทำาเป็นผู้ชายอย่างเดียวไม่มีผู้หญิงก็เงาอีกมีผู้หญิงอย่างเดียวไม่มีผู้ชายก็เงาอีกแล้วเลยสร้างมาเป็นคู่คู่คู่คู่ต้องการจะเตือนว่าอาลัลลอ์มีคู่ไหมอลัลลอ์มีคู่ไหมไม่มีครับอลัลลอฮ์ว่าเหตุเอกะกุลอัลอฮลฮะดอัลล์ อ, ลองเดียว ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีภรรยาไม่มีลูกแล้วไม่มีอะไรเสมอเหมือนอลลอดเลยพอมาครับว่ามีน้ำอนามแปลว่าสัตว์หรือปะสสตวะปุสัตวะก็มีคู่เหมือนกันรวมไปถึงต้นไม้เนี่ยมีคู่ครับใบไม้มีตัวผู้ตัวเมียผมคุยกับหมอสมนุนสมุนไพรไทยเนี่ยใบยไม้เนี่ย ถ้ากินโรคโรคบางโรค ก, ก็ต้องกินใบม้ที่เป็นตัวเมียไปกินใบม้ตัวผู้ไม่ได้โรคไม่หายใชไมวลาอสร้างเป็นคู่คู่คู่คู่คมลลหมดลเลยเลยทำอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับพอสร้างเป็นคู่แล้วยาสรอุกุมสีซารอายัสโรแปลว่าแพร่กระจาย กระจายกระจายไปเต็มโลกวันนี้นะเจ็ดพันล้านนะฝีมือใครอัลลอฮสุภานะฮูวะฮะละท่า น, นาอย่ากตะกาบทประดุษเ ย, ยอะอย่าเยอะๆยหญิงๆๆจองของมีอยู่วันหนึ่งในเรื่องในประวัติศาสตร์นะอธิการมนาบุลฮัสซันเขียนดีแล้วกบบอกว่ามีกษัตริย์อิหร่านกาษัตริย์อิหร่านก่อนรับอิสลามนะก่อนเป็นมุสลิมนะ กษัตริย์นี้ลูกชายกษัตริย์ต้องการจะออกไปล่าสัตว์แล้วเขาสั่งว่าอย่าให้ใครมาเกะกะจะไปล่าสัตว์ระหว่างที่เดินไปเนี่ยไปเห็นอาลิมอุลมามะคนหนึ่งพวกสารบันเดินอยู่เขาก็โม่อ้าวนั่นมุสลิมเนี่ยมาเดินพร่พรานๆทำไมที่นี่ ไปเรียกมั้งสิก็ไปเชิญมาไปเรียกมาพอเรียกมาแล้วก็มานั่งต่อหน้าลูกชายก็สักภาษาแล้วที่เขาถามก็ถามว่าคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันถามอาเลเ่เมาแล้วมะไปเชิญก็มาให้มานั่งอยู่ต่อหน้า แล้วก็ถามว่าคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันโอ้โหภาษานี่ดูถูกอิสลามอย่างแรงเลยละอ้าวถ้าเกิดกับเราจะตอบอยังไงครับอาเลมบอกว่าฉันยังตอบไม่ได้ต้องรอให้ฉันตายก่อนถึงจะตอบได้ลูกชายกษัตว์เอ้ยรอให้เองตายอาตอบเดี๋ยวนี้ โอ้โหางคำแบบนี้ อ, อกอ้างตอก็ตอบได้ถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันมีอีมานฉันดีกว่าหมาท่านดีกว่าซุนักท่านแต่ฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานสุนักท่านดีกว่าฉันโอ้โหนี่คำตอบที่กินใจมากเลยครับ แล้วก็ลูกชากษะตรายคนนี้ไม่เคยได้ยินคาว่าอีมานได้ยินแต่แดนซิ่งเต้นรำกินเหล้าเบรกเก้นผู้หญิงได้ยินหมดหมดบนดุนยาเนี่ยแต่มีอยู่คำเดียวไม่เคยได้ยินคืออีมานเฮ้ยอีมานอ่ะอธิบายยังไงขอธิบายเป็นเล็กน้อยก็เอางี้เดี๋ยวเชิญไปพระราชวังฉันไปสอนฉันหน่อยอีมานของคุณน่ะ ดีกว่ามาอธิบายยังไงก็เข้าไปสอนประมาณสี่หเดือนรับอิสลามที่เคยด่าอิสลามนะหลังจากหกเจดเดือนสอนอิสลามรับอิมรับอิสลามเป็นมุสลิมเฮ้ยครับนี่ประวัติมาอ่านมาเอาปรคนรุ่นก่อนนี่ก็อร่อยกว่านะอร่อยจริงๆนะเรียกมาถามว่าคุณกับหมาชันใครดีกว่ากัน นราอุจเบียม้ลยแล้วก็ตอบดีไหตอบดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นมุสลิมมาเป็นอิมานโอเคครับต่อมาครับยาสรอูกุมอัลลอ์ให้สู่เจ้าเนี่ยแพร่พรันนะครับไลซากมิสลิฮิชัยถึจะมีมนุษย์โลกมากเค่ไหนก็ตามอัลลอ์ไม่เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไบบนี้เข้าใจนะ วาหุวะซามีอัลอบ่าวซอัลลอฮผู้ทรงได้ยินแล้วก็ผู้ทรงเห็นตลอดเวลาอัลลอฮมีตามียังไงไม่รู้อัลลอฮมีมือมียังไงไม่รู้ไม่ต้องไปอธิบายเพราะสหฮาบานาบีไม่ไม่อธิบายสิฟงตของอ ah. ัลลอฮ์พออธิบายปับ๊บมีปัญหาละมือเหมือนใครอ้าอีกใส่ไว้ มีไหมมีมียังไงวะลอฮฺอาลัมไม่รู้ห้ามอธิบายห้ามตะวิลนะครับอตอมายาสุดท้ายกับ12กับแลหูมควดุษมาวะิวัลอูรยับสุดุลริสควลีม่ยาชาอูอ้ายกดิรอินนัหูบิคุลลิชาอินฮะลิ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنّه بكل شيء عليم เส <ت ص في ق> ุดท้ายนะลาหูแปลว่าเป็นของอัลลอฮ์เราไม่กล้าคุยแต่เราคุยให้ฟังเล่าให้ฟังลาหูเป็นของอัลลอฮ์ มากลีดมากลีดแปลว่าปวงกุญแจปวงกุญแจหรือว่าคลังปวงกุญแจหรือคลังของอัลลอฮ์เนี่ยชั้นฟ้าทั้งหมดอืกุญแจของชั้นฟ้าทั้งหมดและแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เนี่ย ม, มีคลังอยู่นะ เวเด็กเกิดมาคนหนึ่งต้องชายตาสองบสองนะสองลูกตาสองจมูกแล้วก็หนังนี่แหละเล็บนี่แหละมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเด็กเกิดวันละกี่แสนกี่พันก็ตามทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยคขนตาก็มาจากอัลลอฮ์คิวก็มาจากอัลลอฮ์มาจากคลังอัลลอฮ์ถามว่ายุบไหม ไม่ยุบครับมันอ่าเต็มตลอดมนุษย์จะเกิดมาเท่าไหร่ก็าตามบนโลกนี้ใช่ผิวหนังของอัลลอฮ์ตาของอัลลอฮ์ผมของอัลลอฮ์เล็บของอัลลอฮ์นะครับจมูกของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยมาจากมาจากครังอัลลอฮ์หมดทั้งว่ายุบหรือไม่ยุบมันอ่าแปลว่าเต็มตลอดเวลาสบายใจนะ ต่อมาครับยับสู่ตรุริสก์ก็เนื้อผู้ิริสกีอีกริสกีเนี่ยยับสูต่ตุวอัลลอฮ์ทรงแผ่ให้บาซาโต้ไปว่าแผ่อย่างนี้เลยเข้าอาไปโกรธกันไปบางคนโกรไม่เป็นเนี่ยไปรักก็โกรไม่ได้ริสกีอลัลลอฮ์นะอัลลอก็สอนจะหาริสกีที่ดีนบีทำมีรูปแบบอะไรหาริสกีที่ดีเชิญ บางคนหาไม่เป็นรักเขายังทำทำไมอ่ะอะต่อมาครับหรืไม่ยยชะแพรหรือเพิ่มพูนขยายให้กับผู้ที่อัลลอฮทรงประสงค์ใช่ไหมพี่น้องครับริสกีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้แต่ละคนเท่ากันไหมไม่เท่ากันริสกีเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะความรู้สติปัญญาความคิดที่เป็นริสกีทั้งหมดเลย อารมณ์ของเราก็เป็นริสกีเห็นไหมคนที่มีทําผิดแล้วตา บ, บ้าตัวคนนี้ริสกีดีใช่ไหมคนนี้ทําผิดไม่ตา บ, บ้าเอริสกีไม่มีเห็นไหมริสกีเนี่ยอย่ามองเฉพาะเป็นเงินอาหารการกินทั้งนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งตัวอย่างในตัวเราเป็นริสกีหมดเลยวายาปเดลเราให้คับแคบมีไหมมีอย่างเนี้ฟาโร่เนี่ยให้อย่างเยอะ แต่อุรมาบินเอาเนี่ยให้อย่างเยอะแล้วก็ไซนาบบิลาเนี่ยให้อย่างน้อยเอาไซนาบบิลลาเนี่ยจะเข้าสวรรค์เงินก็ไม่มีนะอลัลลอฮฺให้อย่างนอ้อยยางคับแค่ท่านบิลลาเนี่ยนบีสร้างอะไรนะสร้างบ้านให้เป็นเพิงเนี่ยเพิงหมาเหงีนอย่างนี้และอยู่กันนั่งหลายคนเจแปดคน นบีขึ้นเมอรอชไปรับนามาดระหว่างที่ลงมาก็ยิบรีนพาเข้าสวารรค์ไปดูในสวรรค์ไปเจอไซนาบิลานเดินอยู่ข้างหน้าพอลงมาจากเมอร์รอชต่ชั้นฟา้าเรีไซนาบิลานมาเปลามันนี้สิชั้นเข้าไปในสวรรค์เจอคุณเดินอยู่ข้างหน้าชั้นคุณมีอะไรดีหรือ บ้านไม่มีเมียไม่มีรถไม่มีทีด่ดินไม่มีจะเข้าสวรรค์ได้ยังไงครับพอมีกัลิมาแลอิเลฮะอิลลัละละฮมุฮัมมัดสุลลัลละฮแล้วก็รับผิดชอบอาจารเรียกร้องโซนไดมาณามาละไล่ไปสวรรค์ถานที่นอ้องเอาวันเราวิ่ง<ม>หาอะไรกัน<ม>วิ่งหาจักผู้หญิง<ม>เงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่ง และไม่หาอีมารอดไม่รอดไม่รอ ด, รอดครับแต่อัลลอ์ให้รอดบนดุญยาเอาไปเลยยิ่งทิ้งอัลลอ์ยิ่งเพลินยิ่งอร่อยยิ่งหอมหวนพอความตายมาถึงก็หอยอยาเแบบฟาโรงอ่ะพอจะจะจมน้ำตายอามัน่นตัฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอ์มีจริงใช่ไหมฉะนั้นอร่อยอร่อ ย, ออยบุญญาต้องระวังนะ ยิงลืมมาล้ออัลลอ์ให้เพลินเอาไปเอาไปเอาต่อมาวรสุดท้ายนะครับอินนาหูบิกลิชัยอินอาลีแท้จริงอัลลอ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั่งประชุมกันในวันนี้มีกี่คนอัลลอฮ์รู้แล้วรู้เปล่านั่งอ่านกลัอ่านอัลลอ์ให้สีข้อนั่งเรียนตัฟซิดอัลลอ์ให้สีข้อหนึ่งอัลล์จะให้หัวใจสมุก ฟังคุณอานหัวใจสงบนะข้อที่สองอัลลอฮฺประทานรหชมะมาข้อที่สามฮับฟัดอะไรมุลมาลาอกให้มั ล, มลมเลกาเนี่ยมาห้อมล้อมเราเนี่ยหมดเลยถ้ามัลเกามาห้อมล้อมใตอนก้าข้าไหมไม่ข้าวเรื่องที่สี่อัลลอเล่าเรื่องของเราเนี่ยที่นั่งฟังทับเเนี่ยให้มัลเลกาที่อยู่รอบๆข้างอลัลลอให้รู้ไอ่เบาสันอยู่พน อยูบนอยู่บนดินนะเขาสอนประับศีกันอยู่นะเขาสอนกุนอ่านกันอยู่นะสี่ข้อสรุปนะคนนั่งอ่านกุนอ่านที่บ้านอัลลอฮ์ด้วยนะอัลลอฮ์ให้สีข้อข้อที่หนึ่งอัลลอฮ์ประทานความสงบอ่บานุดบ้าได้ไม่สอนเลยหนงความสงบประทานรัชมะข้อที่สมฮัฟฟัตอะไลฮิมุลมาลาอีกครัอัลลอฮ์ให้มาริกามาห้อมแล้วมายืนให้เกียรติ การมหัชตอนข้าเรื่องที่เซอลาเล่าเรื่องของการของเราเนี่ยให้ใครฟังให้มาลายกะาฟังที่อยู่บริษัทนาบริัทาลาวุบรหารกับซลลฮิละัลลอฮาวะิฮัสาดิกะัอัลลออสซาดิลลอัอสาดิวะลัยละฮิลลลาวฮิลอััาิะะอัาิลลฮิอัในบ้าน